หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยากถานณละ น, นที่นี่นะคณะครูบาอาจารย์มาพร้อมนั่งในที่ในห้องประชุมพร้อมแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบหกมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง คณะครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติหรือว่าทั่วประเทศถือว่าเป็นวันครูคาว่าครูคานี้คือครูบาอาจารย์พวกเราจะหนีไม่ออกอย่างฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเรียกครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อจะเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ใครว่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์ด้วยทำไมจึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเราได้เข้าไปอยู่ในวัดของท่านเหมือนกับโรงเรียนกินนอนพ่อครูบาอาจารย์จะต้องดูแลทุกอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารการบริโภคอะไรทุกอย่างเหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกแล้วก็ให้ความรู้กับลูกล ก, ลกด้วย เพราะนั้นฝ่ายพระกรรมฐานอย่างหลวงพ่อนี่เรียกครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยนี่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฮะนี่แหละ ว, วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลยิ่งเป็นวันครูบาอาจารย์เป็นวันครูแห่งชาติแล้วก็พร้อมกันพวกเราได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียน ยูงทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำำรํอา อ, อําเภอนงอําเภอยูงทอง อ, อําเภอนายูงของพวกเราแล้วก็มีท่านใน อ, อํเอาเภอที่เป็นประธานแล้วก็ผู้กํากับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแต่ผู้ใหญ่คือผู้เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ก็คือผ อ, อ, อเขต ท่านก็เลยมานั่งอยู่ที่นี่ด้วยแปลว่าวันนี้เป็นวันผู้ใหญ่ในพื้นที่มาครบท่วนบริบูรณมาครบทีมหน้าปีติยินดีปลื้มใจกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้พระสงฆ์กับหลวงพ่อก็เลยนำพระคณะสงฆ์ออกมาจากวัดมา จเจริญพระพุทธมนต์ทั้งหมดกล้าโรคถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลเป็นวันที่พร้อมหน้าพร้อมตาคณะครูบาอาจารย์และฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญในวันครูของพวกเรา เ, ออเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้จึงถือว่าเป็นวัน อ, อุลตร์มงคลออสําหรับ พวกครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงพวกเราให้การสนับสนุนถึงขนาดนี้นะครูบาอาจารย์น่าจะมีแก่จิตแก่ใจในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งทั่วประเทศถ้าหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ค่าใช้ใจ่ายสูงสุดสูงมากถ้าเราคิดคิดดูแล้ว เด็กนักเรียนของพวกเราที่ส่งเข้ามาในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแต่บางแห่งถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็จะได้ใช้เงินมากเข้าโรงเรียนก่อจะเข้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สูงไปด้วยเพราะนั้นทั้งทางรัฐบาลที่เป็นเงินส่วนกลางเงินภาษีพี่น้องประชาชนก็ให้การสนับสนุน เรื่องโรงเรียนแปลว่าให้ไม่ด้อยกับกระทรวงอื่นเพอเผอจะเหนือกว่าอีกต่างหากเพราะว่ากระทรวงอื่นมีแต่ให้มาทางงบส่วนกลางแต่โรงเรียนของพวกเรานักเรียนของพวกเราเป็นงบกระเป๋าของครอบครัวด้วยนะที่พูดทั้งนี้ทางนั้นครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นี่นะ คงจะหลวงพ่อก็คงจะไม่พูดว่าหลวงพ่อนพูดเวอร์เกินไปนะแต่หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกเพราะว่าก่อนที่โรงเรียนนักเรียนจะเข้าโรงเรียนหลวงพ่อกับพอได้ทราบๆอยูเอ่เงินส่วนนั้นนะ่ะไม่ใช่น้อยจากนั้นก็ได้ส่งไปเรียนต่างประเทศอีกเงินส่งไปเรียนต่างประเทศปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก ในจุดนั้นก็เป็นเงินของครอบครัวก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเงินที่ให้ส่งเสริมการศึกษาเงินในประเทศไทยส่งเสริมการศึกษาเนี่ยไม่ใช่น้อยพูดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์น่าจะภาคภูมิใจที่ได้มาทําหน้าที่ในจุดนี้แล้วก็พร้อมกัน ปี58คือปีนี้คงจะเริ่มในการสอนเข้าประชาคมอาเซียนเพราะเหตุไรเพราะพวกข่าวที่แล้วเราหยุดมหาวิทยาลัยและการศึกษาทั้งหเดือนหยุดเพื่อให้ตรงกันกับมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนในประชาคมอาเซียนให้หยุดพร้อมกัน แต่หลวงพ่อเขาวนะั้นหลวงพ่อกับตำหนิเดียวนะตำหนิไกลๆตำหนิแบบพระพระป่าตำหนินะหลวงพ่อบอกว่าเอ๊ทาไมไปหายหยุดโรงเรียนทั้งหเดือนพอหยุดแล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่รับเงินเดือนก็ไม่ใช่ก็ยังรับเงินเดือนอยู่แต่ตามไม่จริงหเดือนนี้นะเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปชาคอมอาเซียน เราน่าจะสอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานของเราหกเดือนเอาหกเดือนนี่นะไม่ให้สอนภาษาไม่ให้สอนอย่างอื่นให้สอนภาษาเท่านั้นแล้วก็นักเรียนของเราทั้งหกเดือนเนี่ยหลวงพ่อว่าคงจะได้ภาษาที่จะเข้าประชาคมอาเซียนคงจะมากพอสมควรแต่นี้ปล่อยให้เด็กของพวกเราเด่ น, ด, น, ด, นด้านๆเพื่อเด็กนักเรียนเรามีเวลา เสียทําความเสียหายให้อีกพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะโรงเรียนไม่ได้เปิดนี่หลวงพ่อว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราเนี่ยน่าจะคิดในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นที่อันนี้ลวงพ่อพูดแบบท้วงติงแบบพระป่านะพระป่าพูดนะแต่ก็อยากจะให้พวกครูบาอาจารย์เหล่านี้ล่ะที่นั่งฟังอยู่ต่อหน้าของหลวงพ่อเนี่คิดว่า หลวงพ่อพูดไม่น่าจะ <S 2> <S 2> ผิดเพี้ยนนะเพราะว่าเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ลูกแก่หลานของพวกเราเพราะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์พวกหมู่เหล่าที่นั่งอยู่ต่อหน้าของหลวงพ่อนี่ทั้งหมดทั้งครูวิชาชีพทั้งครูช่วยสอนฟังฟังดูแล้วก็เกือบจะเข้า300อยกว่าท่านขอให้คูบาอาจารย์ทั้งหลาย ทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดะถ้าพวกท่านทั้งหลายอยู่ในในรมหน้าที่นี้ก็อยากจะให้ทาหน้าที่ให้ดีที่สุดคือหน้าที่หนึ่งเพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่จะสอนคนให้เป็นคนดีคุ ณ, ณธรรมศี ล, ลธรรมจริยธรรมรวมแล้วก็คือความรู้คู่คุ ณ, ณธรรมถ้าหากว่ามีความรู้ ขาดคุณธรรมก็ไม่ได้แต่มีแต่คุณธรรมขาดความรู้ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านาได้ตรัสได้สอนเอาไว้ว่าสุดธมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็คือการสอนกันนี่แหละสุดตรรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรพบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนเอออันนี้ก็เรียกว่าจินตามยะปัญญาคือจินตนาการในคำพูดหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นภาวนามยปัญญาการภาวนาทำจิตใจให้สงบซะก่อน แล้วนำมาพิจารณากันกลองไตรตรองเหตุและผลที่สิ่งที่ได้ยินมาแล้วนั้นอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยว่าภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเอ๋ซะก่อนนิ่งสะก่อนแล้วนามาพิจารณาถ้าเรานํามาคิดนํามาพิจารณาอีกส่วนหนึ่งว่าภาวนามายปัญญาคือทําจิตใจให้นิ่งถ้าว่าพวกเราคิดดูซิว่าคนที่เดิน ไอ้ข้างถนนน่ะผมยาวๆเนี่ยพ า, นะายของอีลุงตุงนังนะ่ะให้มันมาคิดมันจะคิดได้ไหเพราะมันปรุงฟุ้งซ่านเนะี่ยมันเป็นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ่ยจิตใจมันคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วจะนํามาพิจารณากันกรองไตรตรองเรื่องเหตุและผลนะเป็นไปไม่ได้อย่างพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างร้อนๆ อ, อยู่คิดปรุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลา แล้วจะนำมาคิดหาเหตุหาผลก็คงจะไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะมันจติตไม่อยู่กับตัวเองเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านพูดท่านตรัสออกมานี่มีเหตุผลนะ่ะเรียกว่าภาวน า, าปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบให้จิตใจเป็นหนึ่งซะก่อนเมื่อจิตจริงจิตใจเป็นหนึ่ง ผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณากานกรองไตรตรองเหตุและผลว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องที่ได้ยินมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราว่าภาวนาะยะปัญญาแล้วก็ท่านย้อนไปอีกว่าเป็นภาษาที่ท่านตรัสไว้ว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด ก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้ก็คือในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดถึงผู้บริหาร ผู้ดูแลผู้จัดการที่จะใช้คนต้องใช้ให้คนให้ถูกกับการกับงานกับเรื่องนั้นๆก่อนที่จะใช้คนต้องมองดูซะก่อนว่าคนคนนี้ทำหน้าที่นี้ได้หรื อ, รอไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สั่งการบอกกล่าวไปถ้าเมื่อเราบอกกล่าวไป โดยที่เราไม่ได้กันกรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลว่าเขาทำได้หรือไม่ได้ผลงานที่ออกมาอาจจะเสียหายก็ได้เพราะเหตุไรเพราะงานนั้นสําคัญถ้าว่าพวกเราได้ใช้คนให้ถูกต้องแล้วงานนั้นก็จะไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นจะไม่มีปัญหาตามมา อ, อย่างในครั้งพระพุทธเจ้า หลวงพ่อจะพูดชาดกให้พวกครูบายจานได้ฟังในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวันนั้นนายอุทยานคือผู้รักษาป่านิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ไปฉันในพระลามอุทยานนายอุทยานเป็นผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก็นิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมกับพระสงฆ์ไปฉันจากนั้นพระสงฆ์พอไปฉันเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวสมัมโอดทนิยกถาอโอภรมพี่น้องประชาชน เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธรอง์ก็เสด็จกลับส่วนพระสงฆ์บางกลุ่มอกบอกว่านายอุทยานก็บอกว่าท่านจะไปชมสวนก็ได้นะเพราะว่า ผมปลูกสวนมีผลละหมากลากไม้ใหญ่กว้างขวางเพราะเป็นสวนของกรุงสาวัถีจากนั้นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอยากจะไปดูอยากจะไปดูสวนอุทยานว่านายอุทยานนี่ปลูกป่าเป็นยังไงบ้างจากนั้นนายอุทยานก็เข้าพาไปชมสวนผลละหมากลากไม้นานาพันธ์ แต่เดินเดินมาเข้ามามาเห็นเออท่งคล้ายๆว่าเป็นสนามหรือว่าเป็นที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ขึ้นเป็นกระย่มอมกระยี่ยมตายเป็นส่วนมากแล้วก็ขึ้นเป็นน้อยส่วนน้อยแต่เน้นนา ย, นายอุทยานพวกพราก็เลยถามว่าเอ๊ะทาไมส่วนนี้นะเนี่ยแปลที่แปลงนี้เนะี่ยทำไมต้นไม้จะขึ้นไม่สม่ําเสมอ ทําไมจึงมีส่วนตายเป็นส่วนมากนายอุทยานก็เลยบอกว่าเพราะว่าให้ให้ลิงรักษาป่าให้ลิงเป็นผู้ดูแลดูแลป่าพระสงฆ์ก็เลยถามย้ําว่าทําไมจึงให้ลิงดูแลป่านายอุทยานก็บอกว่าพวกเราวันนักขัดวันนักขัดดอลคือวันเดือนสิบสองเพนวันเดือนสิบสองเพน ใครๆก็อยากจะไปเล่นอยากจะไปชมหรือจะไปงานปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นแหละคือประเทศอินเดียเนี่ยเขาถือว่าวันเดือนสิบสองแผนเนี่ยเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับเราลอยกระทงลักษณะอย่างนั้นแหละแต่เนี้ยใครก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชมงานก็เลยเห็นลิงลริงใหญ่ลิงอุหลังกุตังนะ่ะที่เป็นหัวหน้า มันก็กินผลไลม้กากไม้อยู่ในสวนนั่นแหละกับบริวารมันก็ภาษาขอคิดว่าเกือบจะใช้เป็นเป็นภาษาคนได้นายอุทยานก็เออถ้าหากว่าพวกเราจะไปไม่มีใครอยู่สวนอย่างนี้ก็น่าจะเรียกลิงอุรังอุตังเนี่ยอูรังอุตังเนี่ยมาใช้งานดูสิ่งก็เลยเรียกหัวหน้ามันมาเรียกหัวหน้าลิงมา มาก็นายอุทยานก็สั่งเอ้ยหัวหน้าอูลังอูตังพวกเราเนี่จะไป เ, เล่นนักขัดตะลิกนักกษัตรไปงานเดือนสิบสองเผ่นให้พวกเธอพวกเจ้าเนี่ ย, ยดูแลสวนแทนได้ไหมอีอูลังอูตังมันก็ทำต้าบุมบมอบุมบ๊มอบุ ม, มอบเอยอขึ้นมาก็ว่ารับว่าได้ได้ได้ฮ ในอุทยานนี่ก็เออเอานี่แหละนี่ต้นไม้เนี่ยมันยังเล็กอยู่ถ้าเราหนีไปเจ็ดวันนี่มันอาจจะอ า, อาจจะเฉาได้พอมันขาดน้ำเพราะนั้นให้นี่นะที่แหล่งน้ำอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กระป๋องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขันน้ำอยู่ตรงนี้นะวิธีลดลดอย่างนี้นะทำได้ไหม แก็ ه, สอนสอนอุหลังอุตังวัวหน้าก็รับเอาทำให้ดูซิมันก็ทำให้ดูนะพอทำให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออใช้ได้ใช้ได้ ใ, ไดออในอุทยานก็ไว้ใจน่าจะใช้ได้เพียงเจ็ดวันฮนะเราไปเพียงเจ็ดวันกับลูกน้องบริวารนะ เ, ออเจ็ดวันคงจะคงจะไม่มีปัญหาเอาดูแลนะอุลังอุตังนะออพวกเราจะไปแล้วนะ มันก็มูมาปูมาปูมาทําปากขมุขมับฮอจากนั้นก็พดนี้ก็ไปแ่ะไปได้เจ็ดวันพอเจ็ดวันกลับมาโหเกือบจะเป็นลมทีนี่คือื อ, อูหลังอูตัางเนี่ยมันฉลาดเกินไปเหมือนกันเถอะแ้วันบอกว่านี่นะพวกเราลดต้นน้ําต้นไม้นะนี่นะพวกนายอุทยานเขาว่าพวกเราเนี่ย กินผลละหมากลากไม้ในสวนอก็พวกเรากินมากกว่าคนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ใช้เราให้พวกเราเนี่ยลดต้นไม้ลดต้นไม้แทนเขาเอแต่ว่าพวกรถน่ยให้ลดต้นไม้ให้ทั่วถึงน ะ, อะพอรถวันหนึ่งพอวันที่สองมาอุลังอุต่างก็สั่งใหม่เลยพวกเราทั้งหลาย ก่อนจะลดน้ําต้นไม้นะ่ะเราจะอยากจะรู้ว่ามันลากสั้นลากยาวขนาดไหนมันอาจจะไม่ได้กินน้ําก็ได้ต้นไม้นะ่ะเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายถอนขึ้นมาเจ้ก่อนนะถอนต้นไม้ขึ้นมาเจ้ก่อนแล้วเอารากมันจุ่มแช่ลงไปในถังเสร็จแล้วจึงยัดลากมันลงไปในหลุเก่ามันอีกนะเพื่อจะให้ต้นไม้มันได้กินน้ําเต็มที่หัวหน้ามันสั่งนะ ไอ้ลูกน้องก็ฟังฟังคำนายมันใช่ไหมล่ะเอพอจากนั้นก็พวกลูกน้องบริวารเร่งก่อนถอนต้ น, นไม้ขึ้นมาแล้วก็จับยัดใส่ในถังน้ําใช่ไหมล่ะเพื่อให้ต้นไม้กินน้ําให้อิ่มซะก่อนเหมือนกับเราไปกินน้ําในถังอย่างนั้นแหละจากนั้นก็จับยัดลงไปในลูกเก่ามันจะเข้าได้อย่างไงใช่ไหมมันไม่มีเสียมขุดใช่ไหมล่ะเอแต่มันถือถอนคือมันถอนได้ะ ه, ผลที่สุดต้นไม้เหล่านั้นก็เลยตายเป็นมือเลยท่านนี่พอนายอุทยานมาเห็นต้นไม้เท่านั้นนะโอ้เกือบจะเป็นลมเหมือนกันนะนี่แหละอันนี้แหละสรุปแล้วก็คือคนเจ้านายผู้ใดก็ตามที่จะใช้ลูกน้องเนี่ยต้องมองซะก่อนต้องดูซะก่อนว่าเขาจะทําหน้าที่นี้ได้หรือไม่ ไม่ใช่ไปสั่งเข้าไปก็หลับหูหลับตาสั่งพ่อสั่งเข้าไปก็ลูกน้องทําไม่ได้ก็เสียหายเหมือนกับนายอุทยานสั่งให้หัวหน้าลิงรักษาป่าอย่างนั้นอะ่ะพอเสียหายขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เสียหายแต่อุทยานอย่างเดียวนะมันเสียหายกว่าที่ต้นไม้จะบฟื้นขึ้นมาได้อีกหลายปีเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้น เส่ยงเหล่านี้ก็อขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก่อนที่จะใช้เด็กนักเรียนก็เหมือนกันเราก็ต้องดูซะก่อนว่าเด็กหัวหน้านี่เขารับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันผู้บริหารที่จะใช้ครูบาอาจารย์ทำหน้าที่แต่ละอย่างเราก็ต้องดูซะก่อนว่าเขามีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเขาถนัดทางนี้ไหมไม่ใช่ว่า ครูบาอาจารย์บางคนก็เห so ็นว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ดีก็อยากจะให้คนของตนเองเข้ามาทำหน้าที่นี้แต่มันทำก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่ถนัดยังไงก็จับยัดเยียดคนที่มาทำก็ทำเพื่อตรงการหน้าที่ทำไปให้ได้หน้าที่แล้วก็จะกระโดดหนีไปที่อื่นเพื่อจะให้ได้หน้าที่เพื่อจะได้เลือนขั้นเดือนขั้นเงินเลือนเงินเดือนเหล่านี้ หลวงพ่อว่าสิ่งเหล่านี้เสียหายต่อประเทศชาติต่อเสียหายต่อวงการเสียหายเหมือนกับเราใช้เลียงผิดสถานที่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณ ะ, ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้ช่วยๆ ก, กันการกลองไตรตรองเหตุและผลที่ก่อนที่พวกเราจะใช้ชุมชนทนผู้ใดแต่ถึงยังไงก็ตาม หลวงพ่อยังจะเน้นเรื่องประชาคมอาเซียนนี่แหละเพราะว่าประเทศชาติชาติไทยของเราเป็นเอกเป็นเอกราชมาตั้งแต่ดึกดำบรรพไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไหนแต่พอพวกเราเข้าประชาคมอาเซียนพวกเราต้อยกว่าเขาหลวงพ่อว่าน่าคิดนะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตื่นตัวก็พยายามแนะนําสั่งสอนลูกหลานถ้าพวกเราใส่ใจในการสอนหลวงพ่อว่าไม่แพ้ในเมืองแต่ข้อสําคัญครูบาอาจารย์ใส่ใจมากน้อยแค่ไหนถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่ใส่ใจไม่ทําหน้าที่ให้ดีนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อบอกว่า ครูบ า, าอาจารย์เด็ก โ, โดยเฉพาะครูช่วยสอนเนี่ยพวกเด็กที่มีกำลังมีกําลังมีไฟอยู่เนี่ยข้อข้อสำคัญให้ีกพออและพูกเกี่ยวข้องเนี่ยใช้เด็กพวกนี้แหละให้มันเกิดประโยชน์เพราะมันเด็กกําลังมีไฟและกมันเข้ากับวัยของเด็กด้วยกันได้ด้วยเอา้าสอนภาษาอังกฤษนะสอนยังไงเอา้าคณิตศาสตร์นะสอนยังไง วิทย์นะสอนยังไงแต่และ ว, วิชาให้ครูเหล่านี้แหละสอน เ, อเราก็อยู่ห่างๆแล้วก็จากนั้นก็ดูผลงานของเขาเมื่ อ, เ, อเดือนหนึ่งผ่านไปดูตรวจสอบอสองเดือนผ่านไปตรวจสอบเท อ, อมหนึ่งตรวจสอบเป็นยังไงเป็นที่พอใจไหมถ้าเป็นที่พอใจก็แสดงว่า เด็กนักเรียนหรือว่าครูช่วยสอนของเราเนะี่ยใส่ใจในการสอนเด็กทั้งหลายเข้าใจนี่แหละอันนี้ก็คือผลงานออกมาหลวงพ่อว่าคงจะเป็นผลงานที่ดีนะแต่ถ้าหากว่าครูแก่ๆครูอายุมากแล้วนะเนี่ยคือยังไงพวกเด็กเราได้สู้ข่าไม่ได้ เ, เพายายามกอดขวางเขาอยู่อย่างนั้นนะผลที่สุดลูกหลานของเราจะเป็น นักเรียนที่ดีได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะมันสอนแล้วมันไม่เข้าใจเพราะครูแก่เรื่งเหล่านี้ครูแก่ทั้งหลายก็ให้เป็นพี่เลี้ยงครูหน่มได้ไหมอันนี้เป็นแนวเป็นการเสนอแนะนะเพราะโดยมากหลวงพ่อไปในะสถานที่ใดหลวงพ่อจะชอบเสนอแนะให้ครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้ดีไหมแต่ก็ไม่ให้ไม่ถึงก็ให้เสียหายนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็คิดว่าไม่เสียหายเพราะว่า เดือนหนึ่งเราจะทดสอบอยู่แล้วว่าเด็กนักเรียนมันไปยังไงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพออเนี่ยเป็นพ่อของบ้านแต่ละแต่ละโรงเรียนอันนั้นสําคัญนะพออต้องใส่ใจอย่างวัดของหลวงพ่อก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มอบให้แก่พระองค์ใดองค์หนึ่งที่ลูกน้องหลวงพ่อนะหลวงพ่อเองต้องใส่ใจต้องสอดส่องต้องดูแล พราะเหตุไรถึงจะมอบให้ลูกน้องกเอ็เถอะอที่เขาจะเชื่อฟังคำคำกันนั้นมันยากออแต่ถึงเราก็ไม่ได้ว่าออพราเห็ุไรเพราะเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ถึงยังไงหัวหน้าจะต้องสอดส่องดูแลสารถุกสุกดิบออควรจะปฏิบัติอย่างไงแต่ละท่านแต่ละคนใหออ้การดูแลออกับลูกน้องบริวารโดยเป็นธรรมออแล้วก็กิจการงานหรือว่า วัดวาศาสนาหรื อ, อกฎระเบียบวินัย เ, เป็นยังไงภายในวัดอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ถอดทิ้งเพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นก็เอาหลวงพ่อเนี่แหละเป็นกฎเกณฑ์น ะ, ะแล้วก็อยากจะฝากให้กับครูบาอาจารย์ผอทั้งหลายโรงเรียนในเขตอำเภอน้ำสมนายูงบ้านผือกุดจับของพวกเรานี่แหล ะ, ะให้ช่วยช่วยกันดูโรงเรียนแต่แล้โรวงเรียนใส่ใจนะ ให้ใส่ใจและก็พร้อมกันให้กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันถ้าครูบาอาจารย์คนไหนนิสัยไม่ดีชอบกินเหล้ากินเหล้าไม่น่าจะมีนะหลวงพ่อว่านะเพราะเราทำหน้าที่นี้จะต้องสอนคนให้เป็นคนดีเราจะไปกินเหล้าในขณะที่เรามาไปการเรียนการสอนอย่างนั้นมันไม่ถูกนะหลวงพ่อว่านะให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นหูเป็นตาช่วยกันแหละ ว่ากล่าวตักเตือนนะไม่ควรจะมีนะถ้ามีแล้วก็ควรจะพอ อ, อ่ผู้ใหญ่ก็ควรจะดูอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะอย่างพระในวัดของหลวงพ่อไม่ได้แล้วถ้าหากว่าผิดต่อหลักธรรมวินัยแล้วไม่ได้คือหลักธรรมวินัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเพราะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะ แล้วก็พร้อมกันอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลห้านี่แหละอย่าฆ่าสัตว์ไปฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเราไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเราแล้วก็สามีภรรยาลูกหลานของคนอื่นเขาใหเคารพศิลด้วยแล้วก็อย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาอย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติ นี่แหละถ้าคาว่าพวกเราอยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้นะหลวงพ่อว่าความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ถึงยังไงเรื่องศีลห้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะต้องตระหนักไว้ในใจอยู่เสมอนะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็เคยแจก MP3 ของหลวงพ่อให้กับครูบาอาจารย์มากต่อมากวันนี้ก็จะแจกอีกนะ อาจจะแจ ก, กให้ครูบาอาจารย์เวลานั่งรถกลับบ้านนะไม่มีหมู่เพื่อนไปกันนะฟังเทปของหฟัง MP มสของหลว ง, ง, ง, งพ่อนะหลวงพ่อมั่นใจว่า MP มสาหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์ต่อคณะคณะครูบาอาจารย์ไม่มากก็ น, น้อยเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในนั้นละนะ mm hmm. การกล่าวสมโธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอํานาจคุณภระีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาครุ้มครองครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจง ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทินฮัลโหลโอ้ยอดปัจจัยถวาย อ, อ่านให้ฟังนะคณะสทา ญ, ญาตโยมถวายปัจจัยเพื่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาขนาดนี้น ะ, เ, ะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา หลวงพ่อเองได้ได้ไปวางศิลาเลิกที่วัดป่าบ้านตาดมีทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเป็นประธานแล้วก็มีผู้วาราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเต็มไปหมดเต็มศาลาใหญ่นะหลวงพ่อถามถามดูว่าสมัยนั้นมีจตุปัจจัยอยู่ประมาณ80กว่าล้านนะแต่หลวงพ่อถามถามดูการสร้างเจดีย์หลายร้อยล้านไง หลวงพ่อถามถามดูหลวงพ่อโอ้ไม่มั่นใจวัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มหลวงหลวงพ่ออินเนี่ยวัดป่านาคำน้อยเนี่ยน่าจะรับไปสักห้าสิบล้านบาทฮหลวงพ่อก็เลยรับประกาศในที่สาธารณะเลยว่าเรื่องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยวัดหลวงพ่ออินถวายเนี่ยวัดป่านาคำน้อยเนี่ยจะรับอ 50ล้านบาทเพื่อจะมาร่วมสมทบเจดีขององค์หลวงตาแต่ทั้งนี้ท้งนั้นจะไม่ให้เป็นก้อนนะคล้ายๆก็ว่างวดที่หนึ่งใช้จ่ายไปเท่าไหร่เราก็สมทบเข้าไปงวดที่สองที่สามที่สี่แต่ว่าจะให้ครบทั้งจะให้ได้สัก50ล้านบาทอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ประกาศไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคณะสัต า, าติยมลูกหลาน ทูนก็หม่อมฟ้าหญิงท่านเสด็จมาที่วัดของเราเราก็ให้พวกนี่แหละพวกคุณปอเพสัตพวกอาจารย์สุจิตนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาหลายหคนถวายถวายกับฟ้าหญิงสองล้านบาทนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังเป็ น, นยอยู่สี่สิบแล้านนะพราะนั้นพวกเราลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะหลวงพ่อยังเป็นนี่อยู่48ล้านท่านลดลงมาอีกสนาะ5น่บาท25สต่าตางค์นะวันนี้นะลดลงไปลดลงไปอีกนะเราะนั้นเจดีของลงตาไปถึงไหนพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คงอยากจะทราบนะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนพวัฒ สิงศดาเนี่ยท่านก็มาท่านเรียกประชุมนะประชุมครั้งที่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยวันที่ยี่สิบสองเนี่ยนักนักสัตยาธิยมหลวงพ่อเองจะได้เข้าไปประชุมอยู่ที่สลากลางจังหวัดนะวันที่ยีสิบสอมกราเนี่แหละเวลาบ่ายสองโมงจะมีการประชุมแต่บอกข่าวก่อนนะยกเลิกพี่วางเซลาเลิกไว้แล้วนะอ า, อาจจะมีปัญหา เกี่ยวกวับใกล้วัดเกินไปแต่เนี่ยก็เลยเปลี่ยนสถานที่นะเปลี่ยนสถานที่ก็กว้างขวางบัดเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมด181ไร่ที่จะสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นจึงมีการประชุมรอบที่สองอีกนะแล้วก็วันที่22เนี่แหละหลวงพ่อจะเข้าไปเพื่อจะประชุมหารือกับเกี่ยวกับสร้างเจดีย์ แต่ยังไม่ถอยเนอเจดีย์เนี่สร้างแน่แต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาองค์หลงตานี่หลายมากมายหลายหลายกลุ่มหลายคณะหลายคู่หลายคน เ, เหมือนกับลูกหลายคนอย่างลักษณะนั้นน่ะนานาจิตต่างนานาทัศนะ์ลูกแต่ละคน เ, ะเพราะฉะนั้นการสร้างเจดีย์ก็คนหนึ่งกลุ่มท้ทวงติงขึ้นมาเอเออ้าวควรจะเปลี่ยนก็เลย มาถึงนี้แหละเป็นปีที่สแล้วนะวันที่30มสิกรานี่แหละสี่ปีพอดีนะลวงตาจากไปเจดี JD ก็ยังยังไม่ขึ้นแต่คิดว่าปีนี้แหละเข้าปีที่ห้านี่แหละคงจะขึ้นได้แล้วทีนี้คงจะเริ่มสร้างการก่อสร้างกันล่ะเดี๋ยวนี้กำลังเขม่งเกีียวกำลังปรึกษาปรารบกันแต่จะตกปัจจัยนะจะตกปัจจัย ที่จะสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยไม่รมั่วไม่มไมหลเนาะคณะสัตว์ทายาทโยมนะเนาะเดี๋ยวนี้มีปัจจัยทั้งหมดที่ผ่านวัดป่าบ้านตาเนี่ย ส, ย ก, วนนยสยกว่าล้านนะนะสี่กว่าล้านบาทแล้วแล้วก็มีผู้ถวายทุนก็หม่อมพ้ยหญิงเมื่อวันวางศิลละเลิกนั้นหนึ่งร้อยล้านนะรวมก็เป็นห0าร้อยวรวมไปรวมมาทั้งของหลวงพ่อที่ออกปากไว้นี่ ถ้ามันขาด600ล้านก็สักหน่อยหลวงพ่อว่านะเพราะวนั้นเรื่องการสร้างเจดีนี่ก็คงจะไปได้คงไม่มีปัญหาแต่ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่หลวงพ่อเจดีนี่หลวงพ่อกล่าวไว้ประมาณพ0 0ล้านนะพันล้านก็คือ JD, เจดีแล้วก็พิพิธภัณฑ์แล้วก็กำแพงที่จอดรถสาราลายอะไรมีสุกสวนหย่อมอะไรมีมากมาย ก่าที่จะเป็นเจดีขึ้นมาได้หลวงพ่อกะไว้ประมาณนั่นแหละประมาณพันพันต้นๆ น, น, นะคิดว่าคงจะสาเร็จเพราะนั้นขอชี้แจงให้กันนะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าศรัทธาญาติโยงครูบ า, าอาจารย์ที่มาทำบุญในวันนี้คือวันที่16บมกรา58นี่คือครูบาอาจารย์ทั้งหมดสอํ อ, อำเภออำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอา เ, เภอนาสวงอพนายุง ที่ร่วมสมทบถวายเพื่อสร้างิจดีพิพธภัณฑ์หลวงพ่อจะได้นำจตุปัจจัยนี้เอาไปเข้าบัญชีที่หลวงพ่อให้พระคณะกรรมการได้เปิดบัญชีไว้นะเอาเข้าบัญชีนั้นละสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตังค์อนุโมทนาสาธุเนอร์คณะัทธายญาติโยมน เอาต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพอ่อจะลงไปแจกของที่ระลึกนะวันนี้จะยินโคลโศกว่าจะมีการมอบพระพระรหัตจโบดีสอกสอกส อ, ก อ, ส อ, กอ แต่หลวงพ่อไม่ถนัดว่าอักษรย่อมันเยอะเหลือเกินเพราะนั้นหลวงพ่อกกลัวจะไม่ทันสมัยหลวงพ่อก็เลยหนังสือของหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็เลยตั้งให้เป็นอักษรย่อเหมือนกันนะอักษรย่อตัวหนังสือหลวงพ่อต่อต่อต่อเหมอนนนี่แหละเพราะมันเบอร์โดแล้วมันสกสอไม่รู้อะไรหลวงพ่อก็เลยตั้งหนังสือหลวงพ่อต่อต่อต่อต่อต่อ พลิกเข้าไปหน้าที่สองหน้าแรกไมบอกนะต่ตตคืออะไรใช่ไหมพอพลิกเข้าไปหน้าสองตต่อตเตรียมตัวตายหนังสือเตรียมตัวตายเตรียมยังไงเตรียมตัวตายไหนหลวงพ่อก็บอกว่าถึงพวกเราจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะรักขนาดไหน เกลียดขนาดไหนพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพระเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาให้ทําใจเอาไว้หลวงพ่อว่านเะนี่ยแตเตรียมตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้ถ้าใครเตรียมใจอย่างนี้เอาไว้แล้วนะถึงจะโกรธให้ใครก็ไปโกรธมากนะเพราะอีกไม่ไปอีกวันหนึ่งมันจะต้องตายจากนี้กันจากกันอยู่แล้วใช่ไหมถึงจะรักกันก็ไม่รักมากเพราะเหตุะรเพราะจะได้หนีจากกันอยู่แล้วนะถ้าเรารักมากโกรธมาก มันก็ทุกมากใช่ไหมล่ะว่าบางทีเนี่ยโก้ให้เขามากๆเลไปซื้อปืนมาเพื่อจะฆ่าเขาใช่ไหมเพลเพลินทำอะไรไม่ได้เส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากใช่ไหมล่ะเอออย่างหลวงพ่อพูดนะเมื่อวานวันก่อนนะไม่ในะอาทิตย์นี่แหละหลวงพ่อได้รับบัตรสนเทนะลูกหลานนะขณะหลวงพ่ออยู่ในป่านะไม่มีอะไรเขาก็ยังมีบัตรสนเทมาด่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็จับขึ้นมาอ่าน โอ๊ยมันมาอีกแล้ววะฉบับนี้วะเพราะมันมากับข่าวกอดมันก็มาอีกนะั่นไหมมาข่าวที่ลูกพ่อจับซองขึ้นมายังไม่ได้เปิดแต่ลูกพ่อก็รู้เลยวะ่ะพราะเขาผิดพิมพ์ในหัวซองจดห ม, มายว่ากรรมฐานกรรมถอกกรรมหลอกหาเงินๆๆว่าองขึ้นขึ้นขึ้ น, นต้นว่าไงแต่กรรมาฐานกรรมถอกกรรมหลอกหาเงินว่าไงเออ หลวงพ่อไม่เคยหลอกหาเงินใครเดี๋ยมันมันมาพูดอย่างไงนะวะจากนั้นหลวงพ่อก็เลยฉีกขึ้นมาเพราะฉีกขึ้นมาบ้างก็พูดอีหลอบเก่านั่นแหละด่าหลวงปู่ลีบ้างด่าหลวงพ่อจนเรียนบ้างด่าหลวงพ่อสุดใจด่าหลวงพ่ออุทัยและก็ด่าหลวงพ่ออินเหมือนกันสิสี่ห้าหองในที่เขาด่านี่ยทอโพกหลวงพ่ออ่านเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยฉีกทิ้งเหมือนนเะไม่ให้ใครอ่านต่อนะหลวงพ่อก็ไม่อ่านรอบที่สองอีก ถ้าอ่านรอบที่สองเดี๋ยวมันจะด่าเราอีกรอบที่สองวะเงี้นเถอะปอนั้นพวกโรคหลานให้ฟังเอาไว้นะถ้าว่ามีบัตรสนเทมาเนี่ยอ่านทีเดียวจะฉีกทิ้งเลยวะเงั้นเถอะถ้าเราไปอ่านรอบที่สองมันด่ารอบที่สองดา่าถ้าว่าอ่านครั้งที่สามมันดา่าครั้งที่สามโทษที่สุดช้ำอกช้ำใจจนเลือดเช่นเลือดแตกในสมองวะเงี้ยเถอะโอ้ได้ผลวะ่ะ เ, เราเขียนบัตรสนเทศไปด่าเขาดิได้ผลไวจนเลือดเช่นเลือดแตกเนี่ยจะให้มันได้ใจถึงขนาดนั้นเพราะาอาจขึ้นมาแล้วมันด่าเราใช่ไหมเราก็รีบฉีกทิ้งสร้างกระจกไปมันมาถ้าเห็นต่อไปภายพักหน้ากรรมฐ า, านกรรมหลอกทอกกรรมหลอกเอาเกินกูฉีกมันเลยไม่ต้องอ่านบัตดฟังฟังเอาไว้ได้ลูกหลานเย เพราะนั้นใครเขียนบัตรสนเทมาดาเนะี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองเนะี่ยย่าไปอ่านอ่านพอรู้เรื่องแล้วรีบฉีกทิ้งมันเถอะถ้าอ่านรอบสองมันดาครั้งที่สองขาดังดาครั้งที่สามนะรับพอในทเนเน่านะ